พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่ากรรมฐานร่วมใจต้านภัยน้ำท่วมพระจำบรรษา48นะปีนะ่ พระสี่สิบแปดลูกเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่สามสิบห้าเสียหลีเสียฮู้พวกนี่แหละหาหลายชื่อลูกศิษย์ลูกหาลงตาเนี่ยกำลังไปตั้งลงทานได้สามวันละหลวงพ่อติดตามข่าวอยู่บอกว่าหลวงพ่อว่าดูไปช่วยช่วยดูนะหลวงพ่อให้จำเบียงหาเจ้าของลงสีพวกเรานั่งรวยเพราะ โรงสีโรงสีทั้งหลายโรงใหญ่ค้ายข้าวขายข้าวทั้งสงนอกรวยทั้งในประเทศด้วยร่ารวยเพราะเพราะข้าวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกอย่างลําบากไม่มีอาหารจะกินเนี่ยพวกเราต้องช่วยนะหลวงพ่อบอกต้องช่วยนะพวกเราต้องช่วยกันนะเาก็เลยส่งข้าวเข้าไปไปตั้งโรงทานอยู่ที่สวนแสงธรรมแล้วก็ใส่รถ ส่งไปสถานที่ต่างๆทราบข่าวว่าที่ไหนมันขาดเหลือขาดตกใส่รถปิดอัพวิ่งลอกออกไปพวกทมก็ทำพวกทมที่สวนแสงธรรมก็มีแล้วพวกส่งก็ส่งไปในนี้กำลังลำเลียงอยู่เขายังบอกว่าท่านลงพ่อพอมีเวลาก็ข อ, อนิมนุงมาให้กำลังใจด้วยเถิดก็เออๆอๆเออว่าเออ หลวงพ่อก็จะลงไปเหมือนกันคิดคิดอยู่เหมือนกันลงไปเยี่ยมสารถุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนลูกหลานยามทุกข์ยากลำบากยี้เนี่นะไม่เห็นใจกันอทํายามร่ํารวยใครอยู่ที่ไหนก็พอสบายนะเพื่อเพลยังเถียงกันอีกถกเถียงกันอีกเวลาสบายนะเวลาทุกข์ยี้เนี่ยต่างคนกน็ต่างเงียบใครเงียบเรานะหน่าจะลงไปช่วยช่วยกันจะตุปัจจัย ได้มาเงินกระถงกระถิ้นตามวัดต่างๆหลวงพ่อก็สอบสืบถามเหมือนกันนะวัดต่างๆก็ลงไปช่วยกันเยอะๆกอกน้ํากันซื้อกล้วยกันกล้วยหนึน่เอาลงไปเท่าไหร่เป็นรถๆก็ไม่ไม่เพียงพอเพราะแถบนะั้นมันน้ําท่วมหมดกล้วยก็ตายเหมือนกันนะหากล้วยหาอะไรจะ ก, กินก็ยากมีแต่พวกทั้งเราเนี่ยนะว่าส่งกล้วยลงไปเป็นรถๆเหมือนกัน แล้วก็พวกน้ําน้ำเนี่ขาดมากๆแต่น้ําโรงงานผิดเนี่ยมีอยู่มันไม่ขาดน้ําครับแต่ว่าการลําเลียงลําเลียงน้ําไปให้คนน่ะรถมันไปไม่ได้แต่ขนารดรถสิบลอ้อเนี่ก็ไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปทางไหนเพราะมันเป็นทะเลสาบไปหมดถนนไม่รู้จะอยู่ทางไหนเป็นถนนเท่านี้นถ้าเผลอเผอคิดว่าเดินไปนี่คิดว่าเป็นถนน่ตกไปในน้ำเหมือน ทำยังไงจมในข้างถนนอกนีกกันไรเพราะมันไม่มีไม่มีใครรู้ว่าถนนมันไปสายไหนว่าดูมันขาวเป็นทะเลสาบไปหมดนะ่ะนี่แหละมันต้องได้ใช้เรือและะ้วบ่เรือมันก็ผลิตไม่ทันแท้จะทำยังไงได้เอาอยัางไงจะไปหาไม้ไปหาพลาสติกที่ไหนมาทำเรือในยามขับขันเชนเน่ สรุปแล้วก็คือพวกเราไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยชะบุญวุวน่นวายสุกและหกไปทั่วเลยไม่รู้จะตําหนิใครมีแต่โบกเวกโวยวยวายติดตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้่ผลสุดสุดไม่ไม่รู้จะตําหนิใครคงนะจะตําหนินพญาแทนบ้างทำไมให้ออกป่อยฝนลงม า, มามากนักใช่ไหม แล้ปยาแถนก็ทำตามหน้าที่ของเขานี่แหละมนุษย์มนาเนยจะทำยังไงได้เดียนโอ้รู้สึกว่าสิบกว่าจังหวัดนะเกือบยี่สิบจังหวัดน้ำท่วมมีปัญหาเรื่องน้ำแต่ทิงยังไงก็คนในชาติไทยมัต้องช่วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันจนก็จนด้วยกันพออยู่เรือรำเรียวกัน คนในชาติพวกเราอ ย, อยู่เย็นเป็นสุนะก็มีอะไรก็ส่งส่งไปช่วยช่วยกันน า, นายอเภอนายูงนี่ก็ผมก็ประกาศเหมือนกันนะประกาศหาพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกอะไรรวบรวมกันแล้วก็ส่งเข้าจังหวัดทางจังหวัดเขาก็ใส่รถสิบล้อลำเลียงลงไปกรุงเทพเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เพานั้นพวกเรานะ่ะผู้ใดอย่าอยู่อย่าดูได้นะทีเขาทีเรานะแล้มันไม่แน่เหมือนกันนะโลกเนะียทีเขาทีเราเข้านี้เท่านี้ต า, าข้าขาวหน้าตาเองไ ม, ไม่รู้แต่ตาใครก็ไม่รู้นะ่ะข้านี้ตาข้าข้าน้าตาเองเฮอข้านี้ตาข้าเ น, นี่ยข้ากรนะทุกตาเองต่อไปพายภาคหน้าก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะ พราะนั่นอย่ามาเกิดในโลกนะันดีที่สุดทำให้ใจตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจแนละใจบริสุทธิ์นั่นละเลิศประเสริฐถ้าพวกเรามาเกิดในโลกนะี่มันต้องได้เจอแน่ๆ แ, แล้ววะไม่สีน้ำมีก็แผ่นดินไห ว, ไ ม, ไ, ว, วไม่แผ่นดินไหวก็น้ำท่วมไม่แผ่นน้ำท่วมไฟไหมอุตกระภัยน้ำท่วมวาตภัยพายุถลม่ม อักคีภัยไฟไหมโจรละภัยปกโจรผู้ร้ายสงครามละภัยนไม่ในพระบารีไม่มีวะแล้วก็แผ่นดินภนะัยหนึ่งยังไม่มีอีกเหมือนกันแผ่นดินไหวนเลยตายในเสือสวนะตายเท่าไหร่อศึกสงครามเลยตายเท่าไหร่นี่แหละถ้าเราเกิดมาในโลกเน่มันต้องเจอไม่ต้องภัยใดก็ต้องภัยหนึ่งภัยแรงอีกต่างหาก ถ้าผลไม่ตกจะทำยังไงไม่มีอาหารจะกินอีกมันมีเรื่องเราจะต้องได้สู้มากมายล้าเกิดมาในโลกไม่เกิดดีที่สุดจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านได้แนวทางนะจึงท่านท่านจะได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาให้พุทธบริษัทของพระองค์ ผู้ที่เชื่อก็ลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าผู้ไม่เชื่อก็เอาไม่เชื่อไม่เชื่อก็จบไปผู้ที่เชื่อก็เอาลงมือปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านภาวนาของท่านจะได้สําเร็จมรรคผลอัติธาได้กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเป็นเป็นสกีพยานกระดูกกลม อันนี้คือกระดูกของพระรอรหันติพระาธาตุของพระอรหันต์อันนี้ก็คือเป็นสกีพยานพวกเราให้พวกเราได้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมส่วนนามธรรมความอริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเรามองไม่เห็นเพราะเราตาบอดอยู่เป็นปุตตุชนปุตตุชนแปลว่าผู้มืดบอดไม่ใช่ตาบอดนะใจบอดใจปัญญาของเรามองไม่เห็น ใจของเรามืดบอดอริยชนเป็นผู้ตาสว่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นพิษเป็นภัยนะวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดตรงกับวันที่ยี่สิบตุลาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่วันนี้เป็นวันพระนะออกพรรษามา ออกพรรษาอของเราวันที่สิบสองวันที่สิบสองตุลาออกพรรษาวันนี้เป็นวันวันแปดค่าวันไหนวันที่ยี่สิบว่าจะว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราก็ใช่พอให้ขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงจะออกพรรษาในพรรษานอกพรรษาวันไหนๆก็เถอะถ้าเป็นวันธรรมัสวระของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรา ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยจนเกินไปพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทาศาสนาอื่นาศาสนาเคลตดเนีย่ยเขาก็ยังไปวันพระทุกวันพระให้ไปวันอาทิตย์ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อย่างอิจฉาลามเนี่ยเขายิงเคร่งกว่านั้นลามาดวันละหครั้งแต่พุทธศาสนิกชนของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะห่างเหินไปเหมือนกัน พอพวกเราถือปรามตธรรมเกินไปบอกว่าเอ้ยทําคุณงามความดีวันไหนวันนั้น่ะได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละก็เลยลืมลืมเปิดเดือนปีลืมเดือน ล, ล, ลืมวันไปทไงเออพอปีนะเออเดี๋ยวจะทําความดีจะไปวัดไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลแล้วไม่ได้ไป ม, ม่ได้เดี๋ยวทําวันไหนก็ได้เอาปีหน้าก็ได้เออพอไปปีนะเออทําปีหน้าอีกต่อไปก็ได้ก็เลยไม่มีไม่มีวันทำไง เพราะอะไรเพราะผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเพราะวันทําวันไหนก็ได้แต่ตามไม่จริงมันหลอกตัวเองเป็นวันๆเท่านั้นเองนะแต่ตามไม่จริงพยามัจยุราชนี่ด้อมตามหลังอยู่ถือดาบจ้องให้มึงเผลอเผ อ, อไปวะอีกสักวันหนึ่งไนดะ้ข้าจะตัดคอสู้เจ้าแต่พวกเรามีแต่สนุกสนานเพิดเพลนฮาไปเรื่อย พญามตรุราชเนีต้องตามหลังวันคืนเดือนปีผ่านไปมันไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนเดือนปีนะชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยนะผ่านไปผ่านไปเนี่ยอย่างหลวงพ่ออินเดียวนี้เท่าไหร่นะจะเข้าหกสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยหกสิบเจ็ดปีผ่านหกสิบหกปีเต็มเมื่อเมษาเนี่ยอันนี้เดินก็หกสิบเจ็ดแล้วจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่ ไม่มีใครรับประกันได้เพราะการรับประกันชีวิตเนี่ยเขาว่าประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยประกันเพื่องเงินเท่านั้นนะประกันไม่ให้ตายเนี่ยไม่มีหรอกอายุน้อยหนุ่มก็ตายเท่าแก่ก็ตายไม่มีใครรับประกันได้พร้อมที่จะตายได้ทุกเวล่อเวลาทานอาหารอี่มๆตายก็มีนั่งรถนั่งเรือตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีหัวใจวายตายก็มี สรุปแล้วก็คือหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่นั่งอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนพร้อมที่จะตายด้ทุกเวฟรมเวลาไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้อันนี้จุดนี้คือพราะพระพเจ้าจะตั้งอยู่ในความประมาทนะไม่รู้ว่าวันพระวันเสาร์วันไหนก็เถอะให้ทาให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ออกรรษาในพรรษาก็ให้เตรียมเอาไว้ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ให้ทานก็คือการเสียสละเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องถวายครูบาอาจารย์ดูมาเราหาทรัพย์สมบัติได้เลี้ยงชีวิตตนเองด้วยแบ่งปันทำบุญทำทานด้วยแบ่งกินแบ่งทานพูดง่ายงาแบ่งกินไม่บิงกินก็จะให้ขาดตกปกพ่อง ทานก็ควรจะมีอันนี้คือการเป็นอยู่จากนั้นก็ศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นนอย่าไปด่าตนเองอย่าไปด่าคนอื่นเขาวาจาส่วนใจก็ให้สำรวมให้มีสมาธิให้มีความตั้งมั่นให้มีความมั่นใจให้มีสมาธิในใจ อย่าไปลนเลอย่าไปปุงฟุ้งซ่านอย่าไปคิดออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางเบียดเบียนคนอื่นเขาให้จิตใจนิ่งให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจนิ่งจิตใจเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรถ้าคนจิตใจปุงฟุ้งซ่านเหมือนบ้านคนบ้านไปถาม้ใหมมันรัวอะไรมันไม่ทั่วอะไรเพราอะไร เพราะมันมันสติมันแตกสติมันขาดในเมื่อคนสติแตกสติขาดแล้วเป็นอย่างนันหละถามอะไรไม่รู้เรื่องแต่คนสติดีนะมหสติมหาปัญญาเอ่อสิงไหนควรมิควรอย่างไรควรจะทำอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรชุมชนเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรการเช่นนี้การเวลาเช่นนี้เราควรจะทำตนอย่างไรควรด้วยปฏิบัติตนอย่างไรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างไร ถ้าคนมีสติเราจะสำนึกตรวจตราดูตนเองได้เหสิ่งควรไม่ควรอย่างไรจะวางตัวถูกเราอยู่ในสถานะไหนในเมื่อเราอยู่ในสถาพสถานะสถานะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็ควรวางตัวอย่างไรในเมื่อเราเป็นสถานะลูกสิทธ์เราควรวางตัวอย่างไรเราเป็นสถานะญาติโยมผู้อุปธรรมประทา เราควรวางตัวอย่างไรเรานูอยู่ในสถานะพ่อแม่แต่ละสถานะไม่เหมือนกันนะเราต้องรู้จักวางตัววางตัวให้ถูกต้องตามสถานะนั้นๆนั่นอันนี้ก็คือความสงบลมเย็นเป็น ส, สรุปแล้วก็คือมีสติมีปัญญาถ้าคนขาดสติไม่รู้จักสถานะตนเองเดินโตโตเตเตไปเรื่อยใครใครๆเห็นก่อน อุดูดูได้เพราะขาดสตินะจะทํายังไงกรรมกรรมของเขาพวกเราอยา่าให้มันเป็นอย่างนั้นต้องฝึกเอาไว้สติให้เข้มแข็งเอาไว้พยายามให้ภาวนาเอาไว้ให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้โลกวัะสงสารเนเราจะไม่อยู่นานนะไม่ถึงร้อยปีแต่ถ้าร้อยปีก็หมดสภาพแล้วแปดเก้าสิบปีนั่นกันนะหมดสภาพแล้ว เพราะนั้นเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ต้องมีจุดจบในเมื่อถึงจะถึงจุดจบนั้นละ่ะก่อนที่จะถึงจุดจบนั้นแหละเราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญต้องฟังเอาไว้คำเนี่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริง มาปุลคุณโทษมีจริงอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาหน้านั่งภาวนาจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้โดยตนเองกายกับใจอาศัยกันคนเราอยู่ใน่วงแต่ละคนมีกายกับใจนะร่างกายก็คือพวกเรามองเห็นกัน่ะคือร่างกายส่วนจิตใจนามธรรมมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่าน ะ, ะมากกว่ารูปธ ร, รรม ใ่แคล้กว่าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถแต่ถรถคันนี้ทำไมาไปเฉียวไปชนคนทําไมรถคันนี้จะเป็นอย่างนี้เฮ้รถทั้งนี้ทําไมจะเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้ ว, ว่าท่านบอกโซเฟอร์นะทําไมอ อ, ออกขับรถไปชนเขาออทําไมจึงไปเหยียบเขาอทําไมจึงไปเฉียวไปชนเขาทำไมมันไม่ชะลอทําไมไม่อืระวังเขาเฮ้โซเฟอร์ ในลักษณะอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้ามโนปุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจก็คืออะไรก็คือโซเฟอร์นั่นนะโซเฟอร์ต้องเป็นคนดีโซเฟอร์ต้องได้รับการอบรมโซเฟอร์ต้องเป็นผู้มีมารยาทโซเฟอร์ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมโซเฟอร์ต้องเป็นผู้ฝ่ในการ รับรู้ใฝในการศึกษาจากนั้นก็โซเฟอร์ก็ต้องปร ะ, ประพฤติตนให้เป็นโซเฟอร์ที่ดีนี่แหละชำละซเฟอร์ความประพฤติ ด, ดีแล้วนั่นแหละซเฟอร์เลิศประเสริฐรถคันนั้นก่อนวิ่งไปได้ดีเพราะว่าโซเฟอร์ดีนะโซเฟอมือซูซเฟอร์มือดีฮนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถนะ ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเข้ามาวัดสู่วัดวาศาสนาเนี่ก็มาอบรมโซเฟอร์นั่นแหละส่วนร่างกายแข่งแข้งขาตีนมือหูหนวกตาบอดเ อ, อมันเป็นยังไงเป็นวิบากกรรมของเราในอดีตชาติแต่รับเราได้ ร, รับเป็นยังไงขี้ไล่ขี้เละรูปร่างกะรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างไรก็เป็นมาอย่างนั้นแต่ว่าจิตใจในี่ตกแต่งได้ แต่ร่างกายนะี่ยตกแต่งสัญญกรรมตกแต่งได้บ้างแต่ไม่มากแต่จิตใจของเรานะี่ตกแต่งได้เกือบจะว่าร้อยทั้งร้อยทำมาจะว่าร้อยทั้งร้อยก็เพราะว่าแต่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นปุตุชนเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแต่พระองค์ไปชําระที่โครนต้นโพนะัดชําระใจของพระองค์ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญา ชำระใจ พ, พระไทยของพระองค์จนพระไทยของพระองค์บริสุทธิ์หลุดพน้นกิเลสราคะโทสะกระเด็นออกไปพระไทยของพระองค์กระเด็นออกมาเป็นมิติหนึ่งเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมจิ ต, ต, ตจใจที่บริสุทธิ์หลุดพน้นนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านอบรมใจชำระใจท่านหมาใจเนี่ย ให้ทำให้เป็นโจรผู้ร้ายก็ได้เป็นอันตรพาณก็ได้เป็นมัณฑิตนักปลาดก็ได้เป็นคนชั่วก็ได้สรุปละเป็นคนชั่วก็ได้เป็นคนดีก็ได้ให้บริสุทธิ์ก็ได้สุดแล้วต่อสุดแท้แต่เราจะทำยังไงอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทำเดีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นภาละชนขอให้พวกเราเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นกุศล สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนชั่วแลวลบรลบซ่อนๆเพ้อเผลอไใครอยู่กับใครก็ไม่ได้ต่างหากพอแปเพราะเป็นคนเลวคนชั่วคนไม่ดีไม่เป็นที่ไว้ใจของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นแหละตอนนี้ไปรับพรอนะหมวนา้พร